สร้างวัตถุกับสร้างคนไม่ทันวัตถุไปเร็วแต่ว่าเราไม่ได้สร้างจิตใจคนเพื่อรับวัตถุมันก็ยุม่มมีปัญหาเยอะ